จุดตั้งต้นของความทุกข์ในธาตุในขันทั้งหลายก็มาจากไอกตัวรู้นี่เองมีตัวรู้มีจิตดวงเดียวนี่แหละสามารถไปสร้างขันใหม่ได้ทั้งหมดเลยเหมือนมเมล็ดของต้นไม้นะเมล็ดผลไม้ในไพวกเนี้ยมีมเมล็ดมะม่วงอยู่มเมล็ดเดียวตกลงไปในดินได้น้ําได้แดนไม่นานก็ง อ, อกต้นมะม่วงออกลูกได้อีกจิตดวงเดียวนั่นแหละก็ไปสร้างขันห้าขึ้นมาได้อีกเหมือนเวลาที่ภาวนา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 ถ้าเราไม่ปฏิบัติในรูปแบบเลยเนะี่ยใจจะไม่มีพลังนี้หลวงพ่อไม่ได้เรียกร้องมากว่าวันหนึ่งต้องนั่งสมาธิเดินจงกร ม, ม ว, 3, 4, 4, 4, วันละสามชั่วโมงสี่ชั่วโมงมากไปเพราะเราทํามาหากินเราไม่ใช่นักบวชขืนวันวั น, วนเดินจงกรมเยอะๆใช่ไหมอเอาเวลาที่ไหนไปทำมาหากินไปนั่งสมาธิงุ้นๆอยู่คนเดียวอยเอาเวลาที่ไหนไปหากินทุกวันนี้ทํางานก็นแทบจะทํางานกันไม่ทันอยู่แล้วใช่ไหม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 ้เราอารมณ์ที่มีความสุขมาให้มันนะเช่นหรืออย่างหลพ่อตั้งแต่เด็กอะหลือพ่อหายใจแล้วมีความสุขฝึกอนาปนานัสติหายใจออกหายใจเข้าไปเรื่อยมีความสุขแล้วพอหายใจปุ๊บเนี่ยสงบทันทีเลยนะพูดถึงสงบนะั้นมันสงบทันทีนะเดี๋ยวออกก่อน <laughs> <laughs> มันไม่ยากหรอกนะเรื่องสมาธิอะนะไปดูตัวเองนะว่าอยู่กับอารมณ์อะไรแล้วมีความสุข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 แต่รูปธรรมเนี่ยรูปเพื่อนไหวเนี่ยมันรู้สึกได้แต่แต่เริ่มต้นยนจบเลยนะนั้นการรู้รูปธรรมกับรู้นามธรรมาต่างกันถ้ารู้รูปธรรมเนี่อรู้ลงปัจจุบันขณะเดี๋ยวนี้เลยเดี๋ยวนี้เลยใช้คําว่าเดี๋ยวนี้รู้เดี๋ยวนี้อ้าวยิ้มซิเนี่ยกําลังยิ้มอยู่มีคําว่ากําลังยิ้มอยู่ใช่ไหมพยักหน้าเห็นไหมกําลังพยักหน้าดูได้แต่ถ้าจะดูจิต ด, ดูใจที่เป็นนามธรรมานะโกรธแล้วโลภแล้วหลงแล้วฟุ้งซ่านแล้วอย่างนี้มีคําว่าแล้วะ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 ทำในรูปแบบแต่ไม่ทําในชีวิตประจำวันโอกาสได้มักผลเนี่ยต่ำมากเลยนะพอไหวไหมสอนให้เยอะแล้วนะอยู่ที่ทาเอาเองไม่ทําคไมรู้จะทําทไงแล้วต่างคนต่างไปแล้วนะเอาละพอสมควรก็ก่อนมาเจอหลวงพ่อก็ได้ปฏิบัติทําแบบผิดไว้ครับคือเหมือนว่าเอาจิตไป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 คือเวลาที่เราเคยได้ยินคําว่าไตรวัตไหมไตรวัตตะกิเลสกรรมวิบากเนีย่ยตอนนี้เป็นวิบากแนะ้วนะเรามีกิเลสอะไรเรามีกิเลสคือโลภอยากปฏิบัติเราเกิดการกระทํากรรมคือการบังคับตัวเองเกิดวิบาก ค, คือความทุกข์ความเครียดความแน่นเพราะฉั้นวิบากเนี่ยแก้ไม่ได้อย่าไปโลภอีกนะกล้าพอไหมกล้าพอไหมที่จะฝึกใหม่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 ว่ามันไปมันไปอั้นไวครับแบบเคยทำผิดมาถ้ า, างนั้นลองลองแผ่เมตตาไปเลยสังเกตไหมว่าใจเรามีโทสะครับเมนมันดันออกเออนะใจมันมีโทสะนะมันไม่ชอบสภาวะานเนี้ยให้รู้ที่ไม่ชอบไม่ต้องไปสนใจที่คอให้รู้ที่ใจใจไม่ชอบแล้วก็จเจริญเมตตาไปสบายสบา ย, บายจเจริญเมตตาใส่ที่ใจเราเนี้ย สบาสบายไม่สนใจตัวนี้นะเดี๋ยวก็หลุดอ่อนที่มันไม่หลุดเพราะว่ามันดันออกใช่ไหมับไม่หลุดนะเพราะว่าเราเกลียดมันเวลา<ร>ที่เรารักอะไรเราก็ตกครุบมันนั้นนะเวลาที่เราเกลียดอะไรเราก็ิดตกครุบมันอีกอย่างสูลงหลวงพ่อเกลียดใหม่ตัวนี้มันเตี้ยหล <laughs> <laughs> วงพ่อก็ต้องต้องแต้มันใช่ไหมให้จะดันมันขึ้นเ <laughs> นี่ยถึงเราเกลียดมันนั้นเราก็จับมันใช่ไม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 คือหนูก็เพิ่งเพิ่งเริ่มฟังซีดีหลวงพ่อได้ไม่นานนะคะเพราะว่าพอดีลูกชาเอามาให้ก็รู้สึกพอเริ่มเริ่มทำก็เริ่มรู้สึกตัวแต่ว่าในการปฏิบัติคือหนูภาวนานีงลูกใช่ไหมค่ะอย่าไปบังคับมันเริ่มบังคับตัวเองอีกแล้วร้ mm hmm. องเพลงเป็นไหม mm hmm. เนี่ยจิตที่ดีจิตใกล้ๆตรงนี้จิตที่ไม่ได้เจตนา ไม่ได้เจตนาจะปฏิบัติมันก็แค่ว่าให้กายเป็นทางานให้ใจเป็นทํางานเราแค่มีสติรู้ไปสบายๆไม่ใช่ไปควบคุมแล้วควบคุมแล้วจะอึดอัด น, นะที่เราควบคุมเพราะเราอยากดีส่วนแม่นะ้นไม่มีปัญหานะแม่ภาวนาใช้ได้แต่จิตเนี่ยรู้สึกไหมจิตมันกระจายออกไปใช่ใชคือคือใช้พองยุคนะคะคือภาวนาไปแล้ว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 จิตเบารู้ว่าเบาจิตหนักหรือว่าหนักจิตสบายรู้ว่าสบายจิตอึอดัดรูอว่าอึอดัดไม่ได้พาวนาเอาอะไรทั้งสิน้น <ะ S 1> ไม่เคยคาดหวังเลยเต้องไม่คาดหวังหลวงพ่อสัก็คือเวลาภาวนาวเวทนาบางครั้งแบบพอเริ่มพอเริ่มจะปฏิบัติเวทนาจ่อเลยค่ะมันจิตยังไม่สงบอันนี้หนูกมกำหนดไปเลยไดไ้คือดูมันไปเลยได้ไหมเวทนานะเล่นยากมันจะจ่อเลยถ้าไม่ได้ทรงชานเนี้ยเราเจอเวทนาน้ําผ่านยาก เอางี้อย่าไปจ่อคําว่าจ่อไม่เอาถ้าจ่อเราไปที่ใดที่หนึ่งนันเรื่องอารามานุปนิชันคราวนี้เอาใหม่เห็นว่ากายก็อันนึงเวทนาก็อันหนึ่งจิตที่เป็นคนดูก็อีกอันหนึ่งในตัวที่ไม่ชอบเวทนานี้ก็อีกอันหนึ่งเนี่ยหัดตัวอย่างนี้หัดแยกไปเรื่อยๆแล้วเราภาวนาเนี่ยไม่ได้มุ่งเอาชนะเวทนานะเวทนานเป็นวิบากคือพอกําหนดไปแล้วเหมือนกับ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 แล้วพอเผลอไปเนี่ยพอรู้สึกตัวมันก็จะกลับมาดูลมหายใจพอดูปุ๊บมันก็จะเกิดกับแบบคือจับลมเลยครับแล้วก็จะรู้สึกติดอับแน่นๆธรรมดานั่นคนที่ไม่เคยฝึกนะจิตไม่มีแบบเดียวคือหลงหลงหลงหลงลงล ง, ลงไปคนที่หัดใหม่เนี่ยหลงแล้ว ร, รู้สึกแล้วก็จะเพ่งเอาไว้เป็นอย่างนี้ทุกคนต่อไปมันจะไม่เพ่ง น, นี่ว่าหลงเรารู้ว่าหลง หลงล้วรู้หลงแล้วรู้สุดท้ายมันจะเหลือรู้กับรู้เพราะฉนั้นมันก็อยู่ในโกระของการพัฒนาปกติทีนี้ถ้าเรารู้ว่าเวลาเราดูลมหายใจแล้วเราสูดไปแน่นๆเรากลับมาขห้หับร่างกายเคลื่อนไหวอะไรอย่างนี้แทนสลับทำแล้นั้นเป็นวิธีเป็นอุบายนะไม่ใช่หลักอุบายเราจะใช้เมื่อจําเป็นจริงๆเพร น, นเครียดจัดๆเราเปลี่ยนอารมณ์ซะ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 ถอยมาจับอยู่ที่ตัวรู้ก็ได้นะติดสมถาทั้งนั้นน ะ, นะของหนูเนี่ยหนูดูตัวนี้หนูเป็นคนขี้กังวล น, น, นะเป็นคนขี้กังวลใจให้รู้ทันใจที่กังวลไปเว<ช>ลาความกังวลใจเกิดขึ้นใจไม่มีความสุขรู้ว่าไม่มีความสุขนะถ้าใจสุขใจทุกข์ใจกังวลใจสบายอะไรเนี่ยคอยรู้ไปรู้เล่นๆ <นะ S 2> อย่าไปกังวลเรื่องปฏิบัติมากไปแล้ว Ð, พัฒนาขึ้นไหมเจ้าคะต้องแก้ตรงไหนไม่แก้ไม่แก้ <c oughs> คําว่าแก้เนี่ยไม่มีในวิปัสสนานะคมีแต่รู้อย่างที่เป็นที่หลวงพ่อไล่ต้อนหน้าต้อนหลังเนี่ยสังเกตดูให้ดีนะมันจะมีอยู่ไม่กี่ประเด็นหรอกรับแรกสมาธิไม่ถูกปรับให้ถูกซะก่อนอันที่สองถ้าได้สมาธิแล้วนะก็หันเดินปัญญาคถ้าเดินปัญญาเนี่ยบางทีจิตก็ตึงไปหย่อนไปอะไรเงี้ยต้องปรับใหม่คครับ ปรับได้ถูกแล้วก็จะเดินปัญญาต่อได้ <strongly. S 2> เห็นไหมว่า <Fal>. จิตมันมาอยู่ที่หลวงพ่อหายใจซิหายใจแล้วให้จิตกลับบ้านเออหายใจไว้เมื่อนใจมีกรจายออกไปข้างนอกสมาธิไม่เกิดยังไม่เข้าดูออกไหมตรงนี้ใช้ได้ละตรงนี้ใช้ได้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 กราบนวัต ก, การครับเ อ, อผมติดคล้ายๆคนที่ไปถามก่อนหน้าเนี้คือไม่มีใตไมาไ ม, มากแล้วล่ะไม่ได้ติดเยอะหรอกคือ เ, เหมือนครับไม่มีกําลังแล้วก็ทําสมาธิไม่ได้ครับแล้วก็จะขอคำแนะนํำอาจารย์ว่าจ ะ, จ ะ, จะเพิ่มกําลังสมาธิยังไงศีลดีหรือยังก็ยังมีร่องบ้ับนะรักษาศีลให้ดีๆแล้วก็มันจะอิ่มอกอิ่มใจให้นมานะ อย่สมาธิมันก็มาหรือนึกถึงพระพุทธเจ้านึกถึงเรื่อยๆเวลาเรากราบพระเนี่ยทำความรู้สึกเวลากราบอยู่แทบพระบาทท่า น, ใ, นใจให้มันเคลา้าเคลียในอารมณ์ที่เป็นกุศลไปเรื่อยอย่าสมาธิมันก็มาถ้ามันมีความสุขแล้วสมาธิมันก็เกิดือตอนดูลมับพุทโธตอนตอนนี้พุทโธเขาไม่เอาแล้วครับพอดูลมแบบเดิมมันก็จะหลงไปนันเอาใหม่สิมันไม่เอาก็ช่างมันนะเราเอา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 ไม่มีใครสั่งจิตให้บรรลุมรรคผลได้นะจิตปล่อยของจิเองคือมันกลัวก่อนนะว่าถ้าถ้าเราเสียตรงนี้ไปเราก็จะไม่มีความเป็นตัวตนกันไม่มีหรอกทําพอยังไม่เสียนะกลัวจะเสียนะถ้าเสียได้เราดีใจทีนี้จะผ่านไปยังไรรงครับทงถ้าถ้ามันมดูของจริงไปเร่อยนะแล้วถ้าใจหวั่นไหวใจกลัวรู้ว่ากลัวดูเข้าไปตรงๆเลยรู้ว่ามันกลัว วความกลัวดับไปแล้วใจเป็นกลางขึ้นมาก็ดูรูปนามแสดงใจลักณ์ต่อไปถึงจุดหนึ่งมันจะยอมอันใหม่ๆไม่ยอมหรอกบางคนก็กลัวะบางคนก็รู้สึกว้าวเวนะบางคนรู้สึกเบื่อเะนั้นมันเป็นกลุ่มของยานนิพิทานะอาทีนาวายานอะไรกั้นน่ะลืมชื่ อ, อแล้วก็เ่อี้ยงังนึกออกแก่แล้วเพราะอย่างเนี้ย <laughs> มีอยู่สามตัวอยู่ในกลุ่มเนี้ยตอนนี้ก็ปอ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 ทำอไมงานอีกเคลียดอ้าวของโย ม, ม, มการเริ่มการจะไปวันนี้โยมมีปัญหาอยู่สามปัญหานะคะ<ม>ปัญหาข้อแรกคือครั้งสุดท้ายที่โยมได้ถวายรายงานหลวงพ่อไปเมื่อหเดือนที่แล้วนะคะเพราะตอนนี้เนี่ยครั้งที่แล้วที่ถวายรายงานหลวงพ่อไปว่าจิตมันเข้าไปภาวนาในขณะที่หลับทีนี้ขณะอะไรนะ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 เพราตอนที่จิตมันเป็นสว่างว่างอยู่เห็นร่างกายนอนจิตเป็นคนดูอยู่เฉยเพระนั้นยังเป็นสมถะอยู่ไม่เสียอะไรก็คือคือดูแบบ น, นี้ไปเรื่อย<ด>ไม่ต้อง ไ, ไป<ก>ไปก็แค่รู้ทันว่านี่สมถะอไม่ได้วิปัสสนา mm hmm. ก็เช่นนั้นเองแต่สังเกตไหมตอนที่มันคลิกไปคลิกมาไม่ใช่เรา mm hmm. แต่นั้นแหละดีแล้วพอออกมาอยู่ข้างนอกเนี้ยรู้สึกไหมร่างกายมันไม่ใช่เรานะอย่างของโยมนะภาวนานเก่งนะมันเห็นอยู่ได้ตลอดอนะ่ะ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 มันเป็นวัตฏะแล้วมันทุกข์มากทุกข์มากแล้วมันก็มีอาการที่บิบพันออืพอบิบพันแล้วมันก็ปั่นควนจิตมันก็เลยเข้าไปเพ่งใหญ่เลยว่ามันเกิดอะไรขึ้นแล้วตรงตรงนี้ตรงนี้ถ้ามันเพ่งแล้วเหนื่อยนะทําสมถะไม่มีที่พักอื่นแล้ะเพราะสติของเราอัตโนมัติมันทั้งหลับทั้งตื่นมันเห็นองมันได้เองแล้วนั่จุดที่จะพักได้เลืออันเดียวคือสมาธิทําสมถะ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 สภาวะที่เคยเจอนั้นจบไปแล้วไม่รู้ทันปัจจุบันเราเพราะเห็นนี้ด้วยหรือเปล่าครับที่มันเหมือนกับว่ามันไม่ยอมรับว่ามันเป็นอนัตตาครับมันไม่ยอมง่ายหรอกถ้ามันยอมง่ายพาาระอรหันต์เต็มเมืองกว่ออา จ, จะยอมนะดูแล้วดูอีกอยูอย่นั่นแหละแล้วหลวงพ่อมีอะไรแม่จานแนะ น, นเพิ่มเติมหมภาวนาไปสบายๆไไม่รีบร้อนนะอย่าว่าจะเอาผลเร็วๆ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 ถ้าขี้เกียจทําเพจหรือรีบลุกรี้ลุกลนทําเพจเพื่อจะเอาผลนะไอ้นั้นไม่ได้เลยบางทีมันเหมือนกับกลัวว่าจะไปอบายเนี่ยครับเอ้ยไม่ต้องกลัวมีสติอยู่ไม่ไปอบายหรอกเพราะว่าโดยพื้นฐานแล้วเหมือนกับคืออะไรนะโดยพื้นฐานส่วนตัวแล้วครับจิตมีโทสะครับไม่เป็นไรอย่าให้ผิดศีลห้ารักษาศีลไว้ไม่ไปอับอายครับแล้วอีกอี ก, อ ก, อกเรื่องหนึ่งได้ไหมครับคือปกติจะนั่งภาวนาก่อนนอนนะครับ แล้วทีนี้มีอยู่ครั้งหนึ่งคือพอพอลงล้มตัวลงไปนอนแล้วครับมันมันไม่หลับนะครับมันจิตมันเหมือนกับมันตื่นเออแบบกตที่นะเราเราต้องทำยังไงต่อไม่ต้องทำอะไรก็ <c oughs> ต้องทําใจว่าโ อ, โอโหบุญแท้ๆเลยวันนี้ได้ภาวนาโต้รุ่ง <c oughs> <c oughs> ถ้าวางใจอย่างนี้นะแป๊บเดียวหลับเลยถ้าเฮ้ยตายระหว่าไม่หลับคือจ้างก็ไม่หลับเลยหลวงพไม่เดือดร้อนเลยเมื่อกี้นอน แล้วจิตมันไม่ลงพวางจิตมันส่งสมาธิเออไม่ส่งก็ส่งไปเรื่องของมันมนักศึกษอาจารย์ค่ะก็ปฏิบัติมาฟนะังซีดีพระอาจารย์นะคะมาได้ห้าเดือนนะคะ ก, ก็ค่อยคเริ่มเห็นโลภะโทสะมากยิ่งขึ้นนะคะก็ทันบ้างไม่ทันบ้างนะคะแต่ก็จะติดเพลงทําบ้างไม่ทําบ้างทันทันโลภะโทส ะ, ะ, ค, ะคือบางทีหลงไปแล้วก็เอามารู้ทันทีหลังค่ะ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 ขอคำแนะนําพระอาจารย์นรู้ทันจิตไปเมืจิตไม่เข้าฐานรู้ว่าไม่เข้าฐานจิตเข้าฐานแล้วก็รู้จิตสุขจิตทุกขจิตดีจิตชั่วเห็นเขาทํางานของเขาไปด้วยไม่ใช่เราสักอันเดียวไม่ค่อยมีพลังอจิตฟุ้งแล้วก็ไม่ค่อยมีพลังถ้าฟุ้งไม่มีพลังนั้นจิตถึงต้องเข้าฐานก่นอนถึงจะมีกําลังแต่อย่าดึงนะอย่าดึงให้เข้าให้รู้ว่ามันไม่เข้า เราทำกรามฐานไปด้วยการรู้ทันว่าจิตมันไม่เข้าหราไม่ว่ามันเดี๋ยวมันเข้ามาเองถ้าจงใจดึงเข้ามาจะแน่นนจะเป็นแบบทางนี้พวกนี้ยดึงไว้ลาบลาบนกมัธการหลวงพ่อครับอผมปฏิบัติธรรมเป็นครั้งแรกยังไม่เคยปฏิบัติธรรมมาก่อนนะครับฝังซีรีโนมทนานะถ้าไม่เคยปฏิบัติจะเรียนง่าย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 ที่ผ่านมาก็จะภาวนาเน้นการดูจิตนะครับส่วนใหญ่ก็จะหลงอยู่ในความคิดอยู่ก็คือเราสนนัติดภพนะครับคิดแล้วก็ไปคิดแล้วก็ไปตัดสินอะไรเสร็จสรรพใช่ไหมครับทีนี้ก็แล้วบางทีก็มีกุศลบ้างอกุศลบ้างเข้ามาก็มีความรู้สึกอยู่เนืองๆนะครับเราจะเห็นชัดขึ้นบ่อยขึ้นนะครับแล้วก็ส่วนกายนี่ก็จะไม่ค่อยชัดเท่าไหร่ไม่จําเป็นเลยนะ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 เจอไปถึงเชียงรายเออรู้สึกว่ามันเพ่งไม่เลิกครับทํำยังไงดีครับคําว่าทำนะรู้สิรู้อย่างที่เป็นครับถ้ามันเพ่งมากๆนะเอาพลังของการเพ่งนั้มาฉีกร่างกายตัวเองดูไม่แยกร่างกายม่นเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยสนุกดีนะครับครับได้ครับจะลองไปทํำดูครับ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 แด่หลวงพ่อปราโมทปราโมทโชขอหลวงพ่อได้โปรดรั บ, พรบเพื่อประโยชน์และความสุขพพเพื่อมรักผลนิพพานแก่ข้าพเจ้าและสรัรพสัตทั้งหลายตาบสินนบส้นกาลนานเทิปั จ, จัจเอาไปนะหลวงพ่อ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 จันโทปัรนรสยถามณีโชติระสโยสยถาสพีติโยวิวัตชันตุสภโรคโควินัสตุมาเตพวัตวันตรายโยสุขีที่คายุโกภวะอาภิวาธนาศีลิสนิตจังุทธาปจายิโนจตารโรธรมาวทันตีอายุวัโนสุขังพระลัง